ธรรมบทแปลเรื่องพระเมขิยเทระภาคที่สองเรื่องที่ยี่สิบสีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาชื่อจาลิกาทรงประรภท่านพระเมขิย a ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพันธนังจะปลังจิตตัง จิตที่ดิ้นรนกลับกลอกเป็นต้นก็ในเมคียสูตรทั้งหมดบันดิตพึงแสดงให้พิสดารเพื่อให้เรื่องแห่งพระเมคียะเทระนั้นแจ่มแจ้งก็พระาศาสดาตรัสเรียกพระเมคียะเทระผู้ไม่สามารถเพื่อประกอบความเพียรในอัมพวันนั้นได้ เพราะถูกวิตกสามครอบงำกลับมาแล้วรัสว่าเมยเคียเธอละทิ้งเราผู้อยู่ผู้เดียวผู้ขอร้องอยู่ว่าเมยเคียเราเป็นผู้ผู้เดียวเธอจงรอคอยจนกว่าภิกสูบางรูปแม้อื่นจะปรากฏดังนี้เธอก็ไปอยู่ ชื่อว่าทำกรรมอันหนักยิ่งขึ้นชื่อว่าภิกษุเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจของจิตอย่างนี้ไม่ควรชื่อว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติแล่นไปเร็วการยังจิตนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนย่อมควรดันงนี้แล้วได้ส่งภาสิทธิพระคถาสองคาถา เหล่านี้ว่าชนผู้มีปัญญาย่อมทาจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกอันบุคคลรักษาได้ยากห้ามได้ยากให้ตรงดุดช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นจิตนี้อันพระโยคาวจรยกขึ้นจากอะไรคือกามคุณห้าแล้วสัด ไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละบ่วงมนันย่อมดิ้นรนดุดปลาที่ยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำแล้วโยนใบบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นบาลีว่าพันธนังจะปลังจิตตังทุรักขังทุนนิวาระยังอุชุงกโรติ เมธาวีอุสุการวะเตชนังวาริโชวะทะเลคิตโตโอกะโมกะตะอุปภโตปะริพันธะติทังจิตังมาระเทยังปะหาตะเวตอนแกะดนบดาคำเหล่านั้นคำว่าพ an ันธะนังแปลว่าดิ้นรน คือดิ้นรนอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นคำว่าจะปลังแปลว่ากลับกลอกได้แก่ไม่ดำรงอยู่ในอารมณ์เดียวได้เหมือนทารกในบ้านผู้ไม่นิ่งอยู่ด้วยอิริยาบถหนึ่งฉะนั้นซึงชื่อว่ากลับกลอกคำว่าจิตตังแปลว่าจิตได้แก่วิญญาณ ก็วิญญาณนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าจิตเพราะเป็นธรรมชาติวิจิตด้วยภูมิวัตถุอารมณ์และวิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นต้นคำว่าทุรักขังแปลว่ารักษาได้ยากได้แก่ชื่อว่าอนบุคคลรักษาได้ยากเพราะตั้งไว้ได้ยาก ในอารมณ์อันเป็นที่สบายอารมณ์หนึ่งนั้นแหละเหมือนโคที่คอยเคี้ยวกลินข้าวกล้าในนาอันคับข้างไปด้วยข้าวกล้าฉะนั้นคําว่าหุ่นนี้วาระยังแปลว่าห้ามได้ยากได้แก่ชื่อว่าอันบุคคลห้ามได้ยากเพราะเป็นธรรมชาติที่รักษาได้ยากเพื่อจะห้ามกัน จิตอันไปอยู่สู่วิสภาคารมกอที่ว่าอุสุการวะเตชนังแปลว่าดุดช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นความว่านายช่างสอนนำเอาท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาจากป่าแล้วปอเกเปลือกออกแล้วทาด้วยน้ำข้าวและน้ำมัน ลนที่กระเบื้องฐานเปล่งดัดที่ง่ามไม้ทำให้หายคดคือให้ตรงให้เป็นของควรที่จะยิงขนสายได้ก็แลกรันทำแล้วจึงแสดงศิลปะแด่พระราชาและราชม า, ามหาอมาตยมได้สาการะและความนับถือเป็นอันมากจันใดบุุบษผู้มีปัญญา คือฉลาดได้แก่ผู้รู้แจ้งก็ฉชนั้นเหมือนกันคือทำจิตนี้อันมีสภาพดิ้นรนเป็นต้นให้หมดเปลือกคือให้ปราศจากกิเลสที่หยาบด้วยอำนาจของทุดงและการอยู่ป่าแล้วฉโลมด้วยยางคือสตตาหลนด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกาย และเป็นไปทางจิตดัดที่ง่ามคือสมถะและวิปัสนาทำให้ตรงคือไม่ให้คดได้แก่ให้สิ้นพะยศะก็แลกรันทาแล้วพิจารณาสังการทั้งหลายทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้แล้วทำกุณวิเศษนี้คือวิชาสามอภิญญาหกโลกุตรธรรมแปด ให้อยู่ในเงื้อมือทีเดียวยอมได้ความเป็นทักขิในแยะบุคคลผู้เลิศคำว่าวาริโชวะแปลว่าดุดปลาได้แก่ดุดมัดฉาคำว่าทะเลคิตโตแปลว่าถูกโยนไปบนบกได้แก่ถูกชัดไปบนบกด้วยมือหรือเท้า หรือด้วยเครื่องดักมีตาข่ายเป็นต้นยังได้อย่างหนึ่งและพึ่งทราบวินิชฉัยในข้อที่ว่าโอกะโมกะตะอุพะโตแปลว่าที่ถูกยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำดังต่อไปนี้ว่าน้ำชื่อว่าโอกะในคำนี้ว่าโอกะปุนเนหิจีวะเรหิ คือภิกษุชาวเมืองปาา่าถามีจีวรชุ่มด้วยน้ำอาไัยชื่อว่าโอกะในคำนี้ว่าโอกังปหายะอะนิเกตะสารีแปลว่ามุนีละอาลไยแล้วไม่ติดที่อยู่แม้คำทั้งสองก็ย่อมได้ในบาทปพระกาตานี้ในคำว่าโอกะ โมกะโตนี้มีเนื้อความอย่างนี้ว่าจากที่อยู่คือน้ำคือจากอะไรกล่าวคือน้ำคำว่าอุปภโตแปลว่ายกขึ้นได้แก่ถูกยกขึ้นแล้วก็ด่ว่าอริพันธะติทังติดตั้งแปลว่าจิตนี้ย่อมดิ้นรนหมายความว่าจิตนี้ คือที่ยินดีแล้วในอาไยคือกามคุณห้าอันประโยกาวจนยกขึ้นแล้วจากอาลัยคือกามคุณห้านั้นสัตดไปในวิปัสสนากรรมฐานเผาด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตเพื่อละวั ต, ตะเล่าคือบ่วงมานย่อมดิ้นรน คือย่อมไม่อาจตั้งอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานนั้นได้เหมือนอย่างปลานั้นถูกยกขึ้นจากอาลัยคือน้ำแล้วโยนไปบนบกเมื่อไม่ได้น้ำย่อมดิ้นฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีปัญญาไม่ทอดทุระย่อมทำจิตนั้นให้ตรงคือให้ควรแก่การงาน โดยนัยยะที่กล่าวแล้วนั้นแหละอีกนัยยะหนึ่งจิตนี้คือที่ยังละบ่วงมานคือกิเลสวัตตะไม่ได้ตั้งอยู่แล้วย่อมดิ้นรนดุดปลานั้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระโยคาวะจรควรละบ่วงมานเสียคือควรละบ่วงมานลราวคือกิเลสวัตตะ อันเป็นเหตุดิ้นรนแห่งจิตนั้นดังนี้แหละในการจบประกาศตาพระเมกยได้ตั้งอยู่ในพระโสดาปฏิผลชนแม้พวกอื่นเป็นอันมากก็ได้บรรลุอริยผลมีพระโสดาปฏิผลเป็นต้นแลเรื่องพระเมกยเทระจบ